เกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็าตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรแม้จะระงับดับมันยังไม่ได้นขณะนั่นกอดตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกาลังของความโกรธมันเคยตัว ม, มันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็สแสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่รู้รู้อยู่ด้วยสติ นี่มันผิดกันอย่างนี้เี่ยคนที่ได้รับการอบรมกับไมไ่รับการอบรมผู้ไมไ่รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็มร้อยเปอรเซนวันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งคำ่ำหแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคนร้อยเปอรเซนต์ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอํานาจวาสนาเพราะ